มังกรหยดภาคหนึ่งภาคกำเนิดจอมมารเท่าสารพัดผิดตอนที่สามตอนคำพีวุดในขณะที่ท่านมังกรท่วากำลังคล่ำเคล้งอยู่กับการฝึกเปลือยหยุดณสถานที่อันห่างไกลจากความวุ่นวายทันใดนั้นพันได้ยินเสียงเคาะประตูเรียกดังเข้ามาในโสดปราสาทถึงสามคลา ด้วยความคลางแคลงใจว่าในสถานที่แห่งนี้ซึ่งปรีกวิเวกจากผู้คนมานานไหนเลยจึงมีเสียงเรียกจากผู้มาเยือนได้จึงลุกขึ้นเปิดประตูออกมาพลันก็พบชายเนิรนามรูปงามท่าทางภูมิฐานในชุดสีฟ้าหน้าตาคมสันเอ่ยปากถามว่าท่านจอมยุดขอรบกวนเวลาท่านเล็กหน่อย ท่านคือผู้ที่มีองค์พระรูปเหมือนพระโพธิสัตว์ควรอิ่มหยกยและดวงแก้วลูกใหญ่ใช่หรือไม่ใช่เป็นข้าเองมังกรท่หวาตอบข้าขอชมองค์พระและดวงแก้วในเคหสถานท่านเพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาข้าได้หรือไม่มังกรธิวาจึงเปิดประตูให้ชายนิรนามนั้นเข้ามาในเคหสถาน เมื่อได้เห็นประจักษ์แก่สายตาชายผู้นั้นจึงรำพึงออกมาว่าโอ้พระโพธิสัตว์กวนอิมยกและดวงแก้วรูปใหญ่มีดังนิมิตจริงๆหลังจากนั้นชายนิรนามจึงได้ล้วงเข้าไปในย่ามของตนและนำกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงที่ปิดผนึกไว้อย่างดีออกมาและส่งมอบให้มังกรที่วาแล้วกล่าวว่า ท่านจอมยุทธท่านจงรับสมบัติชิ้นนี้ไปเถิดข้าจึงจะหมดหน้าที่นี้แล้วมังกรที่วายืนตะลึงด้วยความงุนงงและเอ่ยถามว่าไหนเลยท่านจึงนำสมบัติชิ้นนี้มามอบให้ข้าเรื่องแล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรเล่าจอมยุทธเนื้อหนามในชุดสีฟ้าจึงเล่าความเป็นมาว่าในขณะที่ข้านอนหลับ ไปในค่ำคืนวันหนึ่งได้มีนิมิตเกิดขึ้นคือผู้บิดาผู้ร่วงลับมาปรากฏในฝันและกำชับข้าพเจ้าให้นำกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงที่วางอยู่บนแท่นบูชาซึ่งเป็นสมบัติของท่านคณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้นำมามอบให้กับบุคคลผู้มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมยกและลูกแก้วใหญ่ในครอบครอง อีกทั้งปรากฏในนิมิตฝันขณะนั้นว่าข้าพเจ้ากาลังเดินทางโดยควบมา้ามาทางเส้นทางสายที่สี่อย่างรวดเร็วจนสุดทางเมื่อรู้สึกตัวขึ้นข้าจึงพิสูจน์ความจริงในความฝันอันประหลาดโดยควบมา้ามาทางเส้นทางสายที่สี่จนสุดทางซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยมาก่อนเลยและสุดทางนั้นเอง ข้ามาพบกับวัดเซาหลินในเขาเกาซานแห่งนี้จากนั้นข้าจึงเข้าไปถามหลวงจีนในวัดว่าท่านใต้ซือสถานที่แห่งนี้มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมยกใช่หรือไม่ใต้ซือตอบว่าไหนเลยจะมีได้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝึกปลือวิชาฮวบซิงอันบริสุทธิ์ล้วนดังนั้นท่านมาตามหาผิดที่แล้ว ขอถามท่านไต้ซือว่าถ้าเช่นนั้นท่านรู้จักใครที่มีองค์พระโพธิตั์นั้นหรือไม่ท่านไต้ซือคุ้นคิดอยู่พักใหญ่จึงตอบว่ามีจอมยุทธ์อยู่ท่านหนึ่งที่มีวิชาที่พิสดารล้ำลึกและมีสิ่งที่ท่านตามหาอยู่จากนั้นข้าพเจ้าจึงสืบสาะประวัติของวัดเส้าหลินแห่งนี้จึงทราบว่า เมื่ออดีตผู้บิดาข้าที่เป็นขหาหบดีเคยเป็นโยมอุปถากับพระภิกษุหววสิงแห่งวัดเส้าหลินแห่งนี้และก่อนที่ภิกษุหัวสิงจะสิ้นใจได้มอบกรงวิเศษสี่เหลี่ยมสีแดงใบนี้แก่ผู้บิดาข้าพเจ้าและกล่าวว่าเจ้าขหาหบดีผู้มีจิตเมตตาเจ้าจงเก็บสิ่งนี้ไว้เมื่อถึงเวลาพบคนของข้า เจ้าจ ง, จงน ำ, นำกล่องวิเศษใบนี้มอ บ, มอบแกเขาไปห<ป>ลังจากนั้นข้าจึงถามเส้นทางจากใต้สือและได้เดินทางมาพบกับท่านในวันนี้เรื่องราวก็มีที่มาที่ไปเป็นเช่นนี้แหละเมื่อทราบประวัติทั้งหมดดีแล้วข้ามังกรที่ว่าจึงเปิดดูกล่องที่ใช้หนุ่มเนียนามชุดสีฟ้ามอบให้มิค้าคิดเลยว่า ภายในกล่องถูกบรรจุด้วยวิชาวยุทธ์คำพีภวบสิ่งที่บรรดาเราจอมยุทธในยุทธภพนี้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหาเพื่อให้ได้มาเพื่อครอบครองความเป็นหนึ่งในยุทธภพนี้จากนั้นมังกรที่วาเจงกล่าวว่าท่านจงนำกล่องคำพีนี้กลับไปเถิดข้าไม่ต้องใช้แล้ว ชายเนียนามในชุดสีฟ้าได้กล่าว ส, สวนกลับมาทันทีว่าไม่ได้ท่านจงรับไว้เถิดเพราะเป็นคําสั่งจากผู้บิดาข้าซึ่งผู้บิดาข้าก็รับปากท่านภิกษุครวบสิ่งมาอีกทอดหนึ่งดังนั้นถือว่าข้าทําตามหน้าที่ที่ผู้บิดาข้ามานิมิตเข้าฝันนั่นเองหลังจากนั้นชายเนียนนามจึงหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้มังกรที่วาไม่ทันปฏิเสธและยังคงถือกล่องคำพีวรยุทธหวบสิงอยู่ในมือนั่นเองและนี่คือที่มาแห่งคำพีวรยุทธหวบสิงอันเรื่องชื่อในยุทธภพ